ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาภาสิตังเจตังสมเด็จพระพิชิตตมานเมลีมีพระพุทธดีกาตรัสไว้ว่ากาเยนะสังวโรสาธุสาธุวาจายะสังวโรมะนส า, าสังวโรสาธุ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 แลบพระชิวหาเลียเอาพระนาสิกและพระโสดทั้งสองข้างแล้วแลบปกพระนาลาทกระทำประหาดโลกในโลกนี้จะมีใครเหมือนพระองค์หาบ่ไม่ได้นี่แหละพระพุทธฎีการตรัสว่าสำรวมดีแล้วฉะนันพระพุทธองค์จึงไม่สำรวมกายไม่มีอายอดสูไผยที่รับออกให้เขาดูไม่สมควรเหมือนเขาว่า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 การที่สมเด็จพระชินทร์สีเจ้าสำแดงพระคุยหาวัตถุที่ลับอันอยู่ในฝักให้เสลพรามดูนั้นเป็นด้วยเสลพรามจะใคร่เห็นด้วยบุคคลใดวิมติสงสัยจะใคร่เห็นที่ลับของพระองค์ถ้าผู้นั้นจะพ้นทุก์จะได้มากผลแล้วสมเด็จพระทศพลเจ้าก็ทรงอนุเคราะห์สาแดงแก่บุคคลผู้นั้นแต่ว่าสาแดงให้เห็นแต่พระฉาย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 ความนี้ฉันใดเมื่อความสงสัยผู้ใดบังเกิดสมเด็จพระมหากรุณาผู้ประเสริฐรู้อัจฉาิยก็กระทําปาฏิหาริย์จำพาะให้ผู้นั้นเห็นด้วยภ ร, ริณะพอพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสว่าทุกกาลังพันเตข้าแต่พระนาคเสนผู้ปริชาซึ่งสมเด็จพระมหากรุณาเจ้ามาสำแดงคุยหาฐาน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 ย่อมทรงทราบสิ่งอันควรประกอบเข้าอย่างโพธิยญสัตว์อันควรจะรู้มรรคผลด้วยกลอุบายสิ่งนั้นสมเด็จพระสัพพันยูก็ประกอบให้รู้ตัดสมาเหตุดังนั้นจึงทรงพระนามว่าสมเด็จพระสัพพันญูมหาราชะขอถวายพระพรปานดุดแพทย์รักษาโรคย่อมประกอบเภสัต์ให้ชอบโรคถ้าไข้ผิด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 อันบังเกิดในกรรษกายชายหญิงหนุ่มสาวเด็กเท่าแก่ประกอบยานั้นพันแปรไปตามแก่และปานกลางลูกเล็กเด็กน้อยตามอายุจะได้ประกอบยายืนอยู่อย่างเดียวหาบ่ไม่ได้ย่อมประกอบยายักย้ายไปตามโรคฉันใดก็ดีสมเด็จพระบรมโลกกาณาบพิดรก็เหมือนแพทย์อันประกอบยารักษาโรคทั้งหลาย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 พร้อมด้วยอัฏฐานที่บายบทอักษรวิจิตบวรเป็นอันดีอันทกาโรบรรดาพระศาสนาจะมืดมนลับแล้วอาโลกะโตพระผู้เป็นเจ้าก็กระทำให้พองแผวสว่างคันดิพินาทำลายล้างเสืซึ่งคำประรับประวาดอันฟั่นเฟือเลิศเหลือในการปริชาชินะปุตรานังจักขุตายาอุปาทิตัง พระผู้เป็นเจ้าให้ตาทิพ บ, บริสุทธิ์แกชิเนนทรบุตรอันจะเกิดมาเมื่อปัจชิมาในการบัดนี้วัตถุคุยหาทัศน์ปัญหาที่หนึ่งจบเท่านี้